การภาวนาใหซ่อมว่าการซ่อมซ่อมดูๆซ่อมเจ้าของซ่อมซ่อมแนวมันมาอยู่เคยใกลก้เข่ามันหยุ่งมันเกี่ยวกับเข่าเนี่ยกันซ่อมดูๆใว่าการภาวนาใหซ่อมขอมหาเจ้าของให้มันได้ไปเห็นยิ่ยั้งดีๆแล้วก็ซ่อมมหาเจ้าของจริงดีแนวดีนี่ยนี่บอในในเข่าเนี่ย มันโบมีก็บเฮฟค้นสางคืนมันสางได้นี่หรอกไอ้มันก็เรื่องของอาศันี่แหละอาศัยแนวชี้เทาเห็นเ้าพบเท่าเห็นอยู่มันมากกระทบกระเทือนเท่านี้แหละเอาแนวมุ่นนี้แหละ <c oughs> มาเป็นเคพลองพิจะะารณาคันทิจจารณาแล้วมันจะได้ปัญญาปัญญาเป็นควอมคุดค้อมอ่านช่องช่างแก้ปัญหา นั่นแ่ละคนะอวบพิจารณาอยู่เลยมันสีฟองเพื่อกังเข้าเห็ดการบ้านดูดูนี่แหละเป็นเห็ดการบานเล็กมาเฮ็ดดูดูเฮ็ดดู ด, ดูมันกับฟองม่นกับตำหน้านั่นแหละอันนี้คือกันเนี่ยการยิ่งยั่งมากกระทบกระเคลื่อนอให้เข้าป่าวรดให้พิจรารณาหาวิธีจัดการจชงได มากระทบที่แรกใส่ล่องล่องอย่างเบิ้งเช้ามันล่องเบิงว่ามันแห่งสันได้เราก อ, อย่างอยู่ในบ่อเกิดวาใส่สมราษะเอาสมรธะเป็นเครื่อง ต, อต่อต้านใ้เบื้องอันโอสมราษะปรอยู่ตัวเราก็จื่อใบโอคว่ำสงบเข้ามาทัานอยู่กำลัง เขาเ้านางย่างนอยต่อจากนั้นค่ะพิจารณาขันยังพี่มีแห้งพ่อเหลือพ่อนี่นยค่ะพิจารณาเรื่อัน่าสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันเ ม, นม็ น, ม, นมัน เ, มนเป็นตส่ใจให้อิริวอเป็นจะหักอีหลีวอเป็นละลุมจะหลงเป็นละเดือกได้เป็นสะฮุนหัวยอย่างสั่อีิริวอมันเป็นอย่งจะมาฮนหัวยเขาแท้ จังซุมก็เท่าพี่เจรินาเห็นว่างามเนี่ยิมันงามอีหวีก็ทีมิสเอโมเมนเท่าูนเดียวเนี่ยบอกงามบอลผู้อื่นเขาเห็นแบบดีาลายก็โซ่มิเต่เท่าเห็นว่าดีแบบโซ่อยู่คือจังค้นลังค้นนี่ยไผ่เท่ า, ทากับวาซัวเอ้กูพันวาดีอยู่แกเสร็ญังมันจะเป็็ญยังไงกันโอ้ยหอนกูหนอนปุไม่อนมันเป็น ปลูกเป็นหลานกูคนวัวชัวปนไอ้กูกับปยังวา่าดีอยู่เนี่ยโอ้มันปูนบ่คือเขาห น, นิ่ม็นซีเมนย่อนย่อนอย่งนอฮะเนี่ยปนว่ะอะกขติเกิดขึ้นเพราะอัติอคติและหลงเพราะรักหลงเพราะชั ง, งความความล่าเียงล่าเอียงเพราะรัก ล่ำเพียงเพราะโกรธล่ำเพียงเพราะหลงล่ำเพียงเพราะกลัวโอ้มันต็มย้อนเท่าบอดีเท่ามีข้อล่ำเพียงอยู่ในหนูหุ่นจัก๊กแต่นี่แหละเรียกว่าการได้ซ่อมพิจารณามันเิ็นหจักเหตุผลมันจักเหตุผลมันละเ้า ก, ก็บปากได้หรอกการ ภาวนาที่ได้ผลมันการปากตัวเองที่ได้ผลเนี่ยอันปากตัวเองไม่ได้ผลแ็่ยังไม่ได้ผลหรอกภาวนาเขาเห็นว่าปากมมันจะปากทั้งนอกว่าให้ไปปากจั๊กจั่ว่าให้ไปปากยีปากสางปากเสือปากจ่างนั่นนี่เขาเห็นวาปากเจ้าของเนี่ยปากเจ้าของปากพ่วมบอดีเจ้าของมันมีแน่ว่าดีเสีองยืดได้หนีแม่ยังพ่วมโลก นี้ต่อยากได้นี่จะอยากเอาควบโกดควมเสียดควมใจให้มาแต่นี่อย่งมาส่วนจะน้อยบือ้อขึ้นรถมันมันวูบถึงมแม่เรามันบังมดโมมี่ อ, อย่งเหลือนี้โอสปะควมละอายแก้ใจออสปะควมเปล่งกลัวบาปเกลงกลัวแนวมันถือพดีน้ำก น, นมากโมมี่ ไฝมันใหม่ไฝโซสามันใหม่เอาวเมือ่อเจ้าเรนจบพ้องดาไปอียงไงแจ๊กว่าจ๊กปล่อยจแจ๊กแกนแจ๊กดาแจ๊กเค่งกาปั่นเคร่งปีนเคร่องเขาออกไปแล้วเนะี่ยโมได้เห็นเลยว่าจะฟ้องเฮ็ดอียงตัวไปนี่แหละท่านไฝไฝตัวนี้มันรูปออกมานี่แหละเขามาปากอันนี้แหละที่เคยก่อสร้างหลวงปู่พุดขึ้นไปบินถวาตนี่นแหละค ไปบินเ่นบาทเด็กน้อยมาใส่บาทกันแม่มันพ่อเส้นะสีนาเพ่อนมึงไม่ใช่พระมึงไม่ใช่พระดอกอะไรสิโอ้โหมาจากคืดใจห้เลยเว้ยาใจห้เว้ถึงมาเอาคืดใจนี่อ้โหโบเมนธาอิริดูมึงยัเขียยอยู่เลยใจหายั ง, ามเมายางเขียดอยู่บมเมนธาอีริโอ้แมนกัมันนะจนกระได้เด็กน้อยเป็นเป็นคู่ซ้อนอยู่ป้าวกำหนดจิตอยู่ของละใบ คิดเหี้ยคิดต่ให้เลยเศร้าเลยเ ป, ปลี่ยนพระต่อขาดขาดพระไปช่วงหนึ่งได้เปลี่ยนพระต่อกันเท่าขาดไปยาวๆาพวกดูว่านี่ใจให้จนว่าเด็จโลมือตีกันโลภ ก, กันเนี่ยนั่นคือฉันว่าเป็นพระผูเหลือแหละพระหลวงปูุ่ดเป็นไงยังต ง, งเหลือเป็นพระไวใ้ใจอยู่ตลอดเวลานหนาจะระเสินมาก นี่แหละทันภาวานาทันมันซ่อมซ่อมเยอซ่อ ม, อมไกลทันซ่อมจ็กของนี่มันมันี่เห็นแนวดีๆหลาย